เจ้าชายผู้ซื่อสัตย์นานมาแล้วมีพระราชาที่มีลูกชายเพียงแค่คนเดียวที่เป็นที่รู้จักไปทั่วเพราะความมีเสน่ห์และควา ม, ม, ลวามหล่อเหลาวันหนึ่งเจ้าชายได้ออกไปล่าสัตว์ทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นกวางตัวใหญ่สีทองเจ้าชายที่ประหลาดใจสั่งให้ล้อมกวางเป็นวงกลม ท่านใดนั่นเองปล่อยฉันไปเถอะพวกเขาแปลกใจมากที่สัตว์พูดได้เหมือนกับมนุษย์ฉันจะให้สมบัติที่มากมายกับท่านฉันมีสมบัติมากมายแล้วแต่ฉันยังไม่มีกวางสีทองงั้นฉันจะให้มากกว่าสมบัติอะไรที่จะมากกว่าสมบัติล่ะฉันจะให้ท่านขี่หลังของฉันเหมือนกับที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนได้ขี่มาก่อน ว่างสีทองได้พาเจ้าชายขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนเขาได้พาเจ้าชายไปเที่ยวทั่วโลกในเย็นของวันที่เจ็ดนั้นมันลงสู่พื้นอีกครั้งทันใดนั้นวางก็หายไปเจ้าชายบารัมกอขยี้ตาตัวเองด้วยความสงสยัย แล้วเขาก็ไม่เคยมาเมืองแปลกแบบนี้มาก่อนเลยนายมาทำอะไรที่นี่แล้วมองหาอะไรอยู่เหรอลูกชายเออฉันขี่บนหลังกวางสีทองเขาทิ้งฉันไว้ที่เมืองแปลกนี่แล้วก็หายตัวไปนายอยู่ที่เมืองปีศาจแล้วฉันก็คือปีศาจจาดูคนที่นายช่วยชีวิตไว้เมื่อไปที่โลกมนุษย์ในร่างของกวางสีทองฉันเอง นายเองเหรอหมากับฉันสิลูกชายปีศาจจาดรูพาเจ้าชายไปที่บ้านของเขาจาดรูให้กุญแจร้อยดอกกับเจ้าชายนี่มันกุญแจสําหรับอะไรกุญแจเหล่านี้สามารถไปได้หลายที่และที่สวนต่างๆเชิญตามสบายแล้วนายจะเจอสมบัติที่มีค่าสําหรับการที่เก็บไว้แล้วทุกๆวัน เจ้าชายก็เปิดประตูไปที่ใหม่ๆและสวนใหม่ๆทุกๆวันเขาเจอสมบัติมากมายเกินกว่าที่เขาจะคิดได้เมื่อเขามาถึงที่หนึ่งรมันก็มีบ้านพักเล็กๆที่เต็มไปด้วยงูมีพิษและมัแรงแต่สวนที่เขายืนอยู่มันกลับสวยที่สุดสวยที่สุดจากสวนต่างๆที่เขาได้เคยไปมา เจ้าชายหลงสเสน่ห์และเดินสำรวจไปเจ็ดไม้จากทางนั้นและอีกเจ็ดไม้จากทางนี้ในขณะที่เจ้าชายกำลังนอนอยู่นางฟ้าเจ้าหญิงซาพัสานได้ปลอมตัวอยู่ในร่างนกพิราบบินมาที่สวนพอดีและได้เห็นเจ้าชายที่รูปหล่อและยังหนุ่มแน่นเจ้าหญิงลงมาที่พื้นด้วยความประหลาดใจ ที่เห็นความหล่อเหลาของเขาเมื่อทั้งคู่เห็นหน้ากันไม่นานนักพวกเขาก็ต่างตกหลุมรักกันอย่างมากมายและทันใดนั้นเองพวกเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกันอย่างไรก็ตามเจ้าชายคิดว่าเขาควรที่จะปรึกษาเจ้าของบ้านนั่นก็คือจาดูเพราะเขาคิดว่าที่นี่เป็นของเขาฉันเจอเจ้าหญิงที่ฉันอยากแต่งงานด้วยวิเศษมา เพื่อความสุขของชายหนุ่มปีศาจได้ปรากฏขึ้นและยินดีกับการแต่งงานในครั้งนี้เจ้าชายบาลากอรและนางฟ้าเจ้าหญิงซาภาสารได้แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันมีความสุขแต่ว่าเจ้าชายก็เริ่มคิดถึงบ้านที่เขาจากมาและเขาเองก็เริ่มจะคิดถึงพ่อและแม่ของเขาเป็นอย่างมากอะไรที่ทำให้ท่านทรมานเหรอเจ้าชายเจ้าชายไม่อยากจะเล่าให้เจ้าหญิงฟัง ภรรยาของเขาฟังและเขาเองก็เริ่มเงียบมากขึ้นและมากขึ้นทำให้เขาปฏิเสธอาหารเย็นเจ้าชายเริ่มอ่อนแอและผอมลงคุณต้องกินอาหารหน่อยนะคะคุณกำลังทำให้มันเสียของอยู่อ๋ฉันไม่สนฉันอยากกลับบ้านปีศาจจาดูทุกคืนเขาจะนั่งอยู่ใต้เจ้าหญิงและเจ้าชายเพื่อที่จะฟังพวกเขาคุยกันและเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะมีความสุขเป็นอย่างดี เขาได้ถามเจ้าชายว่าเจ้าชายมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เจ้าชายผอมและเงียบงันแบบนี้โอ้เจ้าปีศาสแสนดีเจ้าชายผู้น่ารักจะยอมตายด้วยความเงียบมันเป็นการหยาบคายหากจะบอกเจ้าของบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นให้ฉันไปเจอพ่อแม่ให้ฉันแล้วเจ้าหญิงไปเถอะไม่งั้นฉันขอยอมตายดีกว่าตอนแรกปีศาจไม่ยอมให้ไป แต่ในที่สุดแล้วเขาก็สงสารเจ้าชายไม่ว่าจะเป็นยังไงนายจะต้องกลับมาที่นี่ในเมืองปีศาจนี่อีกไม่นานโลกของนายเปลี่ยนไปนับตั้งแต่นายไปและนายอาจจะมีปัญหาเอาผมนี้ไปกับนายถ้านายต้องการความช่วยเหลือจากท่านเผามันแล้วฉันจะออกมาช่วยเหลือนาย เออขอโทษนะคือฉันไม่มีอะไรเลยโอ้ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นนายโอ้เจ้าชายหายตัวไปไหนมาฉันถูกพาไปที่เมืองแปลกและที่นั่นฉันได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแสนสวยเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้เหรอพ่อกับแม่ฉันหายไปไหนอ้ขอโทษด้วยเจ้าชายแต่พวกเขาเสียชีวิตแล้วไม่มันต้องไม่ใช่เรื่องจริง ออฉันขโทษ ด, ด้วยพ่อและแม่ของเจ้าชายได้ตายจากไปทั้งคู่ผู้ชิงอำนาจก็ครองบัลลังและตั้งราคาข้าหั ว, หวของเจ้าชายบาลัมกอถ้าหากว่าเขากลับมาในพรานตกลงที่จะให้คู่หนุ่มสาวอาศัยอยู่ในห้องใต้หลังคาของบ้านเขาแม่ของฉันแก่และตาบอดท่านจะมองไม่เห็นไม่ว่าท่านจะมาหรือไปและท่านก็สามารถช่วยฉันล่าสัตว์ได้เพราะว่าฉันเคยช่วยท่าน แล้วพวกเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านของนายพรานวันหนึ่งในขณะที่เจ้าชายเข้าป่าเพื่อออกไปล่าสัตว์เจ้าหญิงซาพสารได้โอกาสใช้เวลานี้สะผมสีทองอันสวยงามของเธอผมยาวของเธอได้ห้อยอยู่ที่บริเวณ ล, ลำคอของเธอจนถึงหัวเข่าของเธอเหมือนน้ำที่มาจากแสงพระอาทิตย์เมื่อเธอสระผมเสร็จเธอก็หวีผม และนั่งอยู่ตรงบริเวณหน้าต่างที่เปิดแง้มออกมานิดหน่อยเพื่อให้อากาศพัดผ่านเข้ามาทําให้ผมเธอแห้งและในเวลานั้นหัวหน้าตํารวจได้ผ่านมาพอดีและในขณะนั้นเองก็ได้เห็นเจ้าหญิงผู้น่ารักกับผมสีทองที่เป็นประกายเงางามของเธอเขาจ้องมองเธอไม่หยุดจนทําให้เขาตกลงมาจากหลังม้าไปอยู่ที่ระบายน้าหัวหน้าตารวจ ไม่สามารถหยุดคิดถึงนางฟ้าแสนสวยที่เขาเห็นที่บ้านของนายพรานได้เลยเรื่องนี้ก็ไปถึงพระราชาเขาจึงส่งทหารไปที่บ้านของนายพรานแต่เธอตาบอดแล้วก็ไม่เหมือนอย่างที่พวกเขาพูดกันเลยไม่มีใครอยู่ที่นี่ไม่มีผู้หญิงสวยไม่มีผู้หญิงน่าเกลียดมีเพียงฉันและลูกชายของฉันเท่านั้น แต่ว่าขึ้นไปข้างบนห้องใต้หลังคาและดูด้วยตาได้เจ้าหญิงใช้มีดตัดไม้ใต้หลังคาเพื่อให้เป็นรูแล้วเธอก็กลายร่างเป็นนกพิราบเธอบินทข้าไปในรูนั้นและหลบหนีออกไปและเมื่อทหารเข้ามาถึงพวกเขาก็ไม่เห็นใครเลยเจ้าหญิงทุกข์ใจมากที่ต้องจากเจ้าชายสุดหล่อของเธอไปและเมื่อเธอบินผ่านหญิงชราเจ้าหญิงจึงได้กระซิบว่า จะไปที่บ้านของพ่อฉันที่ภูเขาเอเมรลอนะเจ้าชายเสียใจมากที่กลับมาเจอห้องใต้หลังคาที่ว่างเปล่าและหญิงชราก็ไม่สามารถบอกเจ้าชายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากเสียงประหลาดที่เธอได้ยินไปที่บ้านพ่อที่ภูเขาเอเมอรลอนเหรอนั่นคือสิ่งที่ฉันได้ยิน เมื่อได้ยินในตอนแรกเจ้าชายก็รู้สึกสบายใจแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็คิดได้ว่าเขาไม่รู้ว่าภูเขาแห่งนั้นอยู่ที่ไหนกันเจ้าชายเศร้ามากเขาไม่ยอมกินข้าวและเริ่มร้องไ ห, ห้หาเจ้าหญิงของเขาในทุกๆวันจนในที่สุดเขาก็จําเรื่องผมวิเศษได้เขาจึงโยนผมวิเศษเข้ากองไฟแล้วมันก็เริ่มไหม้แบบน่ากลัวเจ้าชายของฉันมีอะไรให้รับใช้เหรอ บอกทางที่จะไปภูเขาเอเมลล์กับฉันหน่อยสิท่านไม่มีทางไปถึงแบบมีชีวิตเอาคำแนะนำของฉันไปใช้ซะลืมอดีทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าฉันมีเพียงแค่ชีวิตเดียวแล้วมันจะหายไปถ้าฉันเสียเจ้าหญิงไปถ้าฉันต้องตายเพื่อที่จะตามหาเธอก็ปล่อยให้ฉันตายเถอะเจ้าดูสัมผัสเจ้าชายและสัญญากับเจ้าชายว่าจะช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด จ่าดูพาเจ้าชายกลับมาที่เมืองปีศาจและได้มอบคาถาวิเศษให้กับเจ้าชายและพาเจ้าชายไปที่บ้านของปีศาจนารักษานท่านจะต้องเจอกับอันตรายมากมายเก็บคาถานั้นไว้กับมือทั้งวันทั้งคืนแล้วจะไม่มีอะไรทําอันตรายท่านได้นี่คือสิ่งที่ฉันช่วยท่านได้แต่ว่านาลักษานพี่ชายของฉันสามารถช่วยท่านได้มากกว่านี้ เจ้าชายถือคาถาวิเศษไว้ในมือทั้งวันทั้งคืนไม่มีอันตรายใดๆสามารถทำอะไรเขาได้เลยในที่สุดเขาก็มาถึงบ้านของปีศาจนาลักษานปีศาจเพิ่งตื่นขึ้นหลังจากที่นอนมา12ปีแล้วปีศาจก็หิวมากเมื่อปีศาจเห็นเจ้าชายปากของมันก็ได้มีน้ําลายไหลออกมามีอะไรให้ฉันช่วยเหรอ ปีศาจนารักชาญได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาจึงสายหัวนอยจะไม่มีวันไปถึงภูเขาเอ็มล่าลูกชายจำคำแนะนำของฉันไวลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าฉันมีเพียงชีวิตเดียวแล้วมันจะหายไปถ้าไม่มีเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของฉันถ้าฉันต้องตายในการตามหาเธอก็ให้ฉันตายเธอะคำตอบนี้ได้จับใจปีศาจนารักษ์ชาญมาก ปีศาจได้มอบกล่องแป้งกับเจ้าชายผู้ซื่อสัตย์และได้บอกให้เขาเดินทางผ่านเมืองปีศาจไปจนถึงบ้านของปีศาจใหญ่ที่ชื่อว่าซาเฟสซาเฟสเป็นพี่ชายคนโตของฉันถ่านายต้องการให้ใครทําอะไรให้ได้เขาจัดทำถ้านายต้องการความช่วยเหลือเอาผงแปลงนี้ถูที่ตาได้ไม่ว่าอะไรที่นายต้องการจะอยู่ใกล้นาย แต่อะไรที่นายขอให้อยู่ไกลมันก็จะอยู่ไกลเมื่อเจ้าชายได้โชกทาวิเศษกล่องแป้งและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังปีศาจซาเฟสถึงกับสายหัวเลยทีเดียวน้ยจะไม่มีวันไปถึงภูเขาเอีโมลอลูกชายจำคำแนะนำของฉันไปลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าฉันมีแค่ชีวิตเดียวแล้วมันจะหายไปถ้าไม่มีเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของฉัน ถ้าฉันต้องตายในการตามหาเธอก็ปล่อยให้ฉันตายเถอะน้อยกล้ามากฉันจะช่วยน้อยให้ได้มากที่สุดเอาหมวกนี้ไปเมื่อไรก็นา้ามที่น้อยใส่น้อยจะหายตัวได้เดินทางไปทิศเหนือหลังจากนั้นในระยะไกลน้อยจะเห็นภูเขาเอเมลล่าจากนั้นนายก็เอาแปรงถูที่ตาซะแล้วคอยภูเขามาอยู่ใกล้ มันคือผู้เขาที่ต้องวนไม่ว่านายจะไปไกลเท่าไรผู้เขาก็จะใกล้มากขึ้นตรงเขตเมืองของผู้เขาเอเอเลสเข้าไปแบบเงียบเงียบด้วยมวกล่องหนที่ฉันหายไปซะแต่เจ้าชายก็ยังหาเจ้าหญิงไม่พบเพราะว่าความจริงแล้วพ่อของเจ้าหญิงได้ขังเจ้าหญิงไว้ในคุกชั้นที่เจ็ดเพราะกลัวว่าเจ้าหญิงจะบินหนีไปอีกครั้ง พ่อของเจ้าหญิงเป็นห่วงว่าเจ้าหญิงจะกลับไปที่โลกเพื่อไปตามหาเจ้าชายหนุ่มที่หล่อเหลาของเธออีกถ้าสามีของลูกมาหาลูกมันก็ดีแล้วแต่ว่าลูกไม่ควรที่จะกลับไปกับเขาเจ้าหญิงที่น่าสงสารก็ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ผู้ชายธรรมดาจะมาถึงภูเขาเอเมอร์ล้วได้อย่างไร <c oughs> เจ้าชายตามหาเจ้าหญิงอย่างไม่ลดละ และเขาก็รู้ว่าตัวเขานั้นสามารถล่องหนได้และเขาก็รอจนสาวใช้นั้นเดินออกไปและล็อกห้องขังทั้งเจ็ดห้องขังไว้ <c oughs> เจ้าหญิงคิดว่าเธอได้ฝันไปแต่เมื่ออาหารทั้งหมดได้หายไปต่อหน้าต่อตาเธอก็เริ่มคิดว่ามีคนอยู่ในห้องนี้กับเธอ <c oughs> ใครกันนะมากินอาหารจานนี้กับฉันอ๋อเจ้าชายผู้น่ารักของฉัน วันรุ่งขึ้นสาวช้ได้ประหลาดใจเมื่อเธอได้เห็นเจ้าชายนั่งข้างเจ้าหญิงพระราชาได้ยินเรื่องราวทั้งหมดพระราชาประทับใจกับความกล้าหาญของเจ้าชายบาลามกเป็นอย่างมากและสั่งให้ทหารปล่อยตัวเจ้าหญิงไปสามีของเธอจะตามหาเธอจนเจอ พระราชาแต่งตั้งให้เจ้าชายเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์เจ้าชายบาลำงกอผู้ซื่อสัตย์และเจ้าหญิงแสนสวยอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป